นะโมคือความนอบน้อมทรามาฟังนอบน้อมในที่นี้หมายถึงว่าทําจิตให้น้อมลงไปเพราะว่าจิตที่มีความน้อมโน้มเอียงมามีความนุ่มมีความ อ, อ่อนอ่อนเหมาะนี่แหละเหมือนถึงจะฟังทํารู้เรื่องฟังธรรมได้เข้าใจดีนอมน้อมต่ออะไร นอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นองค์ไหนก็องค์ที่ไกลาจากกิเลสนั่นแหละองค์ที่ตรัสรู้ได้โดยชอบด้วยพระองค์เองและองค์นี้ตอนนี้ชื่ออะไรนั่นก็นามสกุลโคตมะชื่อสินทัตะเกิดในสากยัตระกุลเวลาที่เรานอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นจิตที่น้อมไปเสมอวัง จิตที่น้อมไปเนี่ยจะเป็นจิตที่อ่อนเป็นจิตที่นุ่มอ่อนนุ่มพอเพื่อที่จะขึ้นรูปได้อ่อนนุ่มพอเพื่อที่จะทําให้เป็นเป็ น, ปนรูปร่างต่างๆที่เป็นไปในทางธรรมะได้พระเจ้าเปรียบเหมือนกับคนที่จะปั้นหม้อในในช่างปั้นหม้อเนี่ยเขาจะต้องปั้นหม้อเขาต้องเอาดินเหนียวมาถ้าเอาดินที่มันแข็งดินที่มันแกรน ดินที่มันไม่นุ่มไม่มีทางทำฝัง่งที่จะปั้นหม้อได้แต่ถ้าดินที่มันนุ่มดินที่มันเนื้อละเอียดดินที่สามารถที่จะขึ้นรูปได้ก็สามารถที่จะปั้นเป็นหม้อใช้ประโยชน์ได้แต่การที่ช่างหม้อปั้นหม้อขึ้นรูปหม้อได้นั้นก็เหมือนกับเวลาที่เราฟังธรรมะธรรมะนี่คือคำสอนนะสอนสั่งเอาไว้โดยสัมมาสัมพุทธะ เพื่อให้จิตนั้นพ้นจากกิเลสพ้นจากเครื่องเศร้าหมองเพราะว่าไอ้จิตที่มันมีกิเลสจิตที่มันมีเครื่องเศร้าหมองเนี่ยมันเป็นจิตกระด้างได้บ้างเพราะว่าจิตที่กระด้างตรงนี้จะบอกสอนไม่ได้บอกสอนไม่ได้ก็ไม่เข้าใจธรรมะไม่เข้าใจธรรมะจะมาเข้าใจเรื่องราวที่มันลึกซึ้งเห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่ใช่ตัวตนเห็นสิ่งที่เป็นอนัตตาปล่อยวางได้ มันเป็นไปไม่ได้เหมือนกับช่างหมอที่ไม่สามารถจะเอาดินแข็งแข็งมาปั้นให้เป็นหมอได้ไม่มีทางแต่ต่อให้เอาโมหรือเอาแบบเอาแม่แบบแบบไหนมาตั้งมาปั้นมาขึ้นเป็นรูปมันก็ไม่เกาะกันเพราะมันมันทำไม่ได้เพราะฉะนั้นตัวนี้จึงมีอยู่สองขั้นตอนตขั้นตอนแรกคือการที่ช่างหมอเนี่ยเขาต้องเอาดินมาก่อนดินต้องเป็นดินที่นุ่มต้องเป็นดินที่เหนียว ต้องเป็นดินที่พร้อมแก่การขึ้นรูปเป็นดินที่สะอาดบ้างเถอะ น, นะไม่มีสิ่งเจื้อปนสิ่งเศร้าหมองเครื่องที่จะมาทําให้ดินนั้นกระด้างอันนี้คือขั้นตอนที่หนึ่งแล้วเขาก็จะต้องค่อยขึ้นรูปก็ค่อยว่ากันไปเพราะฉะนั้นตรงนี้ที่พูดถึงกันว่าน้ําโมคือความนอบน้อมเนี่ยก็คือขั้นตอนแรก ใ, ให้จิตเนี่ยมันน้อมมันพร้อมในการที่จะฝังดำน้อมมาพร้อมตั้งขึ้นไว้เพื่อที่จะรู้ว่าไอ้นั้นตามเป็นยังไง เพื่อที่จะรู้ว่าไอ้อันนี้จังมันเป็นยังไงแต่ก่อนที่จิตเราจะตั้งขึ้นได้เพื่อที่จะรู้ธรรมะให้มันลึกซึ้งขึ้นไปเนี่ยจิตคุณต้องน้อมก่อนจิตคุณต้องพร้อมซะก่อนการที่จิตน้อมพร้อมนี้แตะไม่ใช่หมายถึงความหลงไหลในอย่างเราเคยฟังนักร้องหรือว่าดูดาราอย่างเงี้ยแม้หลงไหลในความสวยหลงไหลในเสียงหลงไหลในความสามารถของเขาแต่ตรงนั้นก็เรียกว่าหลงไหล หลงไหลไม่ใช่นอบน้อมหลงไหลไม่ใช่ศรัทธาเพราะว่าความหลงไหลไปในตัวบุคคลหรือว่ามีอคติในคุณรักคนนี้ในคุณหลงคนนี้ก็มีอคติในคนนี้ ใ, นใครจะมาว่ามาพูดใส่คนนี้ไม่ได้เราจะเกลื่อนนั่นเป็นลักษณะของความหลงไหลความรักใคร่ความมัวเมาซึ่งจิตที่มีความหลงไหลรักใคร่มัวเมาอย่างนี้ไม่ใช่จิตที่น้อม ไม่ใช่จิตที่จะน้อมไม่ใช่จิตที่พร้อมที่จะขึ้นรูปได้น่ยไม่ใช่จิตที่อ่อนเหมาะนั่นเองนั่นเป็นเพราะว่าอะไรนั่นก็เพราะว่าเจ้าราคะเน่ยเจ้าความกําหนัดที่อยู่ในใจหรือว่าความขัดเคืองเน่ยถ้าเป็นผลจากความรักคือความโลภที่มันไม่สม่ําเสมอเนี่ยมันจะไม่เกิดความเพ่งเล็งเกิดความอยากพวกนี้ทําให้จิตเศร้าหมองจิตจะไม่อ่อนหมาะ หรือถ้าเรามีความโลภมีความเพ่งเล็งอย่างใดอย่างหนึ่งเนีมันไม่ได้มันเป็นไปอย่างอื่นนะมันก็จะมีความพยาบามมีความโกรธมีความผูกโกรธพวกนี้จะเป็นสายที่ตามไปมาถ้ามีไอ้พวกนี้อยู่จิตก็ไม่ใช่จิตที่น้อมนะ่ะทีนี้จิตก็ไม่ใช่จิตที่จะนุ่มไม่ใช่จิตที่จะอ่อนเหมาะคือเหมือนกับในในดินเนี่ยที่มันมีเศษอะไรผสมกระด้างมีความไม่เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน มีความหยาบมีเครื่องเศร้าหมองอยู่ในเครื่องเศร้าหมองพวกนี้ในจะทําให้จิตนั้นกระต่างตรงนี้จึงเป็นเหตุให้เวลาที่เขาจะเริ่มทํากิจกรรมใดใดทางาศาสนานะท่านฟังเราก็จะให้ตั้งนโมสามจบเราเคยได้ยินกันอา่าตั้งนโมสามจบก่อนก่อนขอศีลอาจจะตั้งนโมสามจบก่อนอ่าก่อนขอเข้ามาอาจะตั้งนโมสามจบก่อนอ่าก่อนขอรัตนาให้แสดงธรรมอาะตั้งนโมสมจบก่อนก่อนจะสวดตรงนั้นตรงนี้อะไร โอ้ยทำจนเป็นเรื่องปัะหาเพิ่งที่เราลืมไปว่าไอ้น้ำโมน้โมน้ำโมเนี่ยที่คุณพูดทั้งสารอบเนี่ยมันหมายถึงการนอบน้อมเต็มฝั่งน้โมอ่ะไม่ใช่มโนนะเดี๋ยวนี้ก็มีศั์ใหม่บอกอย่ามโนอย่ามโนไอ้คามโนเนี่ยเขาก็มาจากภาษาบาลีนั่นแหละแต่ว่าเขาเอามาใช้ในความหมายลักษณะที่ว่าอย่าคิดไปเองว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่าเข้าข้างตัวเองอย่าคิดไปเองเขาก็ใช้ซั์ว่าอย่ามโน แต่ว่าโมโนเนี่ยไม่ใช่นโมนะเพราะว่านโมคือการนอบน้อมท่านฟังแต่ว่านอบน้อมนี้นะไม่ใช่หลงไหลแต่ให้จิตนั้นน้อมไปแตการน้อมไปตรงนี้บางคนอาจจะคิดว่าเอ้ยเหมือนสะกดจิตหรือเปล่าแต่ถ้าเราเปิดรับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเอาเข้าอะไรเข้ามาก็ถูสะกดจิตไปแต่เราอาจจะเคยเห็นภาพยนตร์หรือว่าที่เขาทําให้ดูมีการสะกดจิตถูกไหมหรือว่าอย่างดารานักร้องบางคนที่มีแฟนเพลง แฟนคลับมากๆากนะบอกได้แฟนคลับตามหมดทุกอย่างเหนะมือนถูกสะกดจิตไปอย่างนั้นหรือคนที่มีความรักอนะย่างผู้ชายรักผู้หญิงผู้หญิงรักผู้ชายเนี่ยบางทีเหมือนกับตามบอร์ดเขาบอกอะไรทาหมดเหนะมือนถูกสะกดจิตไปการถูกสะกดจิตตรงนั้นเป็นเพระว่าความหลงนะบุคคลที่ถ้าเผือว่ายังมีราคาโทสะโมหะอยู่แล้วเราไปนอบน้อมหลงไหลในบุคคลที่ยังมีราคามีโทสะมีโมหะอยู่ คนไหนมีราคาธรรมะฝังนะสามารถพูดโกหกซึ่งซึ่งหน้าไดนะ้บอกสิ่งที่มีว่าไม่มีสามารถที่จะชักชวนในการล่วงประยาผู้อื่นสามารถที่จะชักชวนในการตือเอาสิ่งของที่ฉกของไม่ได้ให้สามารถที่จะชักชวในในการประพฤติผิดในการมชักชวนในการแกล้งกล่าวเท็จชักชวนให้ทำผิดต่างๆได้เพราะราคาโทสะโมะที่อยู่ในใจเขาถ้าเราไปหลงไหลลุ่มหลงในทุกบุคคลเหล่านี้สะกดจิต นะมันไปไม่ไดีแ น, น, น่นอะนเราเองนะถูกราคาโทสะโมหะสะกดอยูนะ่ทำให้เราไม่สามารถที่จะไปรู้ทมอันละเอียดลึกซึ้งได้เพราะฉะนั้นการนอบน้อมนี่แหละท่านบอกจึงเป็นทางแกนะ้ไม่ใช่การสะกดจิตคนที่คิดว่าถ้าผมว่าฉันนอบน้อมมาแล้วนะจะถูกสะกดจิตโดยคำสองของพุทธเจ้านะนั่นคือคุณถูกกิเลสสะกดอยูนะ่ทำให้มันมีความกระด้างมีความหยาบมีความมัวเหมา มีความที่ไม่เป็นไปตามตัวของตัวเองนะจิตของเราเองมันมีธรรมชาติอันหนึ่งที่มันคงที่อยู่เป็นธรรมชาติประภัสสอนอยู่แต่ถูกกิเลสเนี่ยจับลากถูถูลู่ถูกางไปทางนั้นถูลู่ถูกางมาทางนี้เดี๋ยวไปทางตาเดี๋ยวไปทางหูเดี๋ยวไปตามความโกรธความพยาบาดเดี๋ยวไปทางยกตนข่มดานเดี๋ยวไปทางอวดตัวมีมายานะจิตนี้ไม่ใช่จิตที่หนอบนอบ้อม นะั่นเป็นจิตที่แข่งกระด้างเป็นจิตที่หยาบนั้นะเพราะว่าถูกกิเลสนั้นสะกดจิตอยู่แต่เห็นว่าสิ่งนั้นเป็นตัวเราของเราสิ่งเห็นว่าอารมณ์ความคิดนี้เป็นฉันเป็นของฉันแต่มันก็แย่เลยสิแต่มันก็ชักชวนเราไปในทางที่จะผิดศีลได้ทางที่จะไม่ดีได้เพรา ะ, ะนั้นเราจึงต้องนอบน้อมโดยฝัง น, น, นอบน้อมในคําสอนของพุท ธ, ธะพุท ธ, ธะนี่ใครนาะที่ว่าไกลจากกิเลสนี้เป็นยังไง เพราะว่าบุคคลที่ไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะจะไม่สามารถที่จะชักชวนให้คุณกล่าวเท็จได้เลยจะไม่สามารถชักชวนให้คุณไปล่วงปรายาผู้อื่นไปโกงผู่อื่นด้วยของปลอมได้ทําให้ได้มีแต่จะบอกห้ามมีแต่จะบอกว่าอย่าทํามีแต่จะบอกเตือนมีแต่จะชักชวนให้ไปสู่ความไม่ประมาทมัวเมาน้โมจำฝังนอบน้อมนี่ไม่ใช่เมาแต่จะเป็นเหตุที่ทำให้เราตื่นแต่บางที่เรา หลับอยู่หลงไหลอยู่ลุ่มหลงอยู่อันนั้นไม่ใช่นาบน้ําบางทีเราเคลิ้มอยู่ไอความเคลิ้มน่นก็ไม่ใช่ความนาบน้ํานัเ่นฟังเคลิ้มมันหลงมันมึนมันตาบอดมันยังไม่ตื่นมันหลับตาอยู่แต่คนที่ยังไม่ตื่นตาบอดหลับหลงไหลถูกสะกดจิตโดยสิ่งที่ไม่รู้ล่ะใครมาใส่เอาไว้เนี่ยเพราะว่าอาธรรมนี่มันมีเยอะแยะสิ่งที่เป็นธรรมอันไม่บริสุทธิ์ ที่มีคนประกาศเอา้ได้มีมาแล้วอยู่ต้องนมนานเสนามมานมีเยอะแยะมากมายเราจะเห็นทางออกได้เป็นช่องไปได้ที่คุณต้องมีความ น, อน้อมน้อมแล้วมันจะโน้มไปทำฝังน้อมแล้วมันจะโน้มไปเอียงไปเทไปสู่นิพพานได้เหมือนกับที่ลุ่มแม่น้ำคงคาเนี่ยนะมันจะโน้มน้อ ม, อมลุ่มลาดเอียงเทไปสู่ทางที่ตวันออกเหมือนกับแม่น้าเจ้าพระยางเรา มันจะไปทางที่ใต้บางทีมันอาจจะมีบางช่วงที่ขึ้นเหนือบ้างนิดนึงแต่ส่วนใหญ่มันจะโน้มน้อมรุ่มลาดเอียงเทไปทางทีศใต้เหมือนกันคนที่มีจิตมีความนอบน้อมมันจะโน้มไปทางนิพานนิพานเนี่นยเป็นยังไงเอามันก็เป็นที่จะดับุกได้มันจะเป็นที่ดับซึ่งความเศร้าหมองต่างๆที่จะทำให้จิตของเราหดหู่บ้างที่จะทำจิตของเราเป็นคนบิดเริ้วบ้าง มีความดูหมิ่นบ้างมีความโกรธบ้างมีความหลงมีความมึนตึงตรงนั้นมันจะเป็นที่ดับได้นะดับระดับเลยดับสนิทดับจากความทุกเหล่านี้สนิทไปเรื่เวลาที่เขาให้มีการนอบน้อมเนี่นอบน้อมต่อพระพุทธธรรมประสงค์ด้วยแต่นอบน้อมต่อพระพุทธก็คือผููที่เป็นตัวอย่างในการปฏิบัติเป็นตัวอย่างในการที่จะปฏิบัติแล้วให้ไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะ น้อมน้อมต่อกุณฑลธมตรงนี้แล้วก็นอบน้อมต่อวิธีการกระบวนการในการปฏิบัตินั่นคือประธรรมว่าวิธีการกระบวนการที่บุคคาทํำมาอย่างนี้อย่างนี้แทําไมอย่างนี้อย่างนี้จนเป็นสัมมาสัมพุทธาได้แลนอบน้อมต่อกระบวนการวิธีกา ร, ค, uke, การคือประถรมตรงนี้ว่าเราจะเอามาใช้เราจะเอามาคงไว้เราจะมาทําให้แจ Team ่มแจ้งเราจะมาปฏิบัติเพื่อความเป็นอย่างนั้นได้คือถ้าปุวะจิตเราไม่น้อมเอามาใส่เนี่ย มันไม่สามารถที่จะเอามาใส่ได้ธรรมะเนี่ยถ้าจิตเราไม่มีการนอบน้อมนกะคุณจะน้อมธรรมะเข้ามาสู่ตัวไม่ได้ในะเวลาที่วินยูชนเขาฟังธรรมเนี่ยทำไมเขาถึงน้อมธรรมนั้นเข้ามาสู่ใจของเราได้เนะื่เพราะว่าเขามีความนอบน่อมีมน้ำโมตรงนี้นอบน้อ ม, อมต่อการปฏิบัติธรรฟังแตนะ่ว่าใครสักคนใดคนหนึ่งถ้าทําตามธรรมะนั้นแล้วก็จะต้องได้ผลอย่างที่ควรเป็น บุคคลนี้อจจะเป็นตัวใครก็ได้ตัวคนนั้นตัวคนนูน้นพ่อเราแม่เราลูกเราหรือแม้แต่ตัวเราเองตัวเราเองถ้าปฏิบัติตามกระบวนการวิธีการธรรมะอย่างนั้นเราก็เป็นอย่างนั้นได้นอบนอบ้อมต่อการปฏิบัติที่ใครสักคนใดคนหนึ่งเอาสิ่งนั้นไปทําให้มันเกิดให้มันดีคือธรรมะเนี่ย ม, มันมีอยู่มันดีอยู่ของมันอยู่แล้วลเก็บไว้ในหนังสือบ้างเก็บไว้ใ น, นตู้พระไตรปิฎกบ้างจําได้บ้าง จำไม่ตรงหลบสมองตนนั้นตรงนี้บ้างนี้ก็เรียกจำได้เก็บข้อมูลเอาไว้อันนั้นดีอยู่แล้วมันเป็นข้อมูลเป็นธรรมะที่ดีแล้วถ้าจะให้ดีไปอีกนันคือเอามาสู่ใจแธรรมะเข้าสู่ใจนั่นคือการปฏิบัตินั่นเองใครก็ตามที่ทรงธรรมะไว้ในใจนั่นคือคุณปฏิบัติทำแล้วการปฏิบัติตรงเนี้ยคุณก็นอบน้อมด้วยนนอบน้อมต่อการที่เอาธรรมะนั้นไปใช้งานนั่นเองถ้าเราเอาธรรมะนั้นไปใช้งานการเอาไปใช้งานคือคุณน้อมเข้าสู่ใจได้ การที่คุณน้อมเข้าสู่ใจนี่แหละคือการที่นอบน้อมตรงนี้นั่นคือสงนั่นเองเพราะเวลาที่เขานอบน้อมกันน่ะเขานอบน้อมต่อพุทธคือความรู้เป็นผู้รู้เป็นตัวอย่างในการปฏิบัตินอบน้อมต่อ ก, กระบวนการการปฏิบัตินี่คือธรรมะนอบน้อมต่อการที่เอาธรรมะนั้นไปใช้งานนอบน้อมต่อการที่เอาธรรมะนั้นมาปฏิบัตินั่นคือสงนั่นเองเผื่อเวลาที่เขากล่าวคํานอบน้อมพุทธธรรมะสังฆ ค, คือเรื่องนี้และนอกจากนี้นะ ถ้าสมมุติว่าเรามีความน้อมธรรมะเข้ามาสู่ใจของเรานะให้เกิดการเป็นอย่างนั้นนะให้ปฏิบัติเพื่อความเป็นอย่างนั้นได้อันนี้คือสงฆ์ถูกไหมถ้าเรา น, น้อมธรรมะเข้าสู่ใจให้เกิดการปฏิบัติเป็นสงฆ์ขึ้นมาอย่างนี้แล้วเกิดความรู้ใดความรู้หนึ่งในเรื่องของธรรมะอย่างใดอย่างหนึ่งชิงคุณรู้ว่าสมาธิเป็นอย่างนี้คุณรู้ว่าไอ้ความไม่ร้อนใจจากการที่เรารักษาสีได้มันเป็นอย่างนี้ คุณว่าเวทนาที่มันสุขมันเป็นทุกข์มันแยกแยะต่างๆเป็นอย่างนี้รู้ได้เฉพาะตนตัวเองเห็นเองรู้เองเป็นเองเข้าใจเองความรู้ตรงนี้แหละคือพุทธะพุทธะแปลว่าอะไรพุทธะแปลว่าผู้รู้ผู้รู้ในอะไรในธรรมะนั่นเองเรารู้ธรรมะใดธรรมะหนึ่งได้เนะี่ยพุทธะเกิดขึ้นในใจของเราเวลาที่เขานอบน้อมพุทธะธรรมะสังฆะก็นอบน้อมตรงนี้ทจำฟังเวลาที่เขากล่าวคํานอบน้อมนะโ ม, มตัสสะ หรือบทสวดน้ำโมอะไรต่างๆมีตั้งหลายบทบทนั้นบทนี้ถ้าใจของเรามีพุทธธรรมะสังฆะอยู่ในใจเขาก็นอบน้อมในใจเราที่เป็นแบบนี้แหละเรากล่าวคำนอบน้อมในระยะต่างๆเราก็นอบน้อมต่อพุทธธรรมะสังฆะที่อยู่ในใจของคนนั้นคนนี้คนโน้นทุกๆคนที่มีพุทธธรรมะสังฆะอยู่ในใจเรานอบน้อมต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ที่อยู่ในใจคนอื่นด้วยเวลาคนอื่นเขานอบน้อม เขาก็นอบน้อมต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่อยู่ในใจเราด้วยเพราะนั้นเวลาเรากราบพระครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3นี่ให้จิตมันน้อมลงไปอย่างนี้ที่สําคัญท่านฟังเวลาธรรมะทรงจําไม่ได้ในสมองสมองที่เราจําธรรมะไว้ได้บ้างข้อหนึ่งสองข้อบ้างอาจจะมากกว่านั้นแต่บางคนจําได้ทั้งพระไตรปิฎกหรือจําได้ทั้งพระสูตรเอาใจไม่ได้ก็เขียนจดเอาไว้แต่บันทึกไว้ในหนังสือ เราจะเอาไอ้ที่เราเขียนจดบันทึกเอาไว้ในหนังสือหรือว่าอะที่เราจําได้อยู่ในหลืบสมองเอามาเข้าสู่ใจเราได้คุณต้องน้อมนน้อมเข้ามาสู่ใจ น, นั่นเองเวลาที่น้อมเข้ามาสู่ใจนั่นคือสงนั่นคือสังฆะนั่นคือการปฏิบัติคุณน้อมต่อ ม, มาเข้าสู่ใจเนื่องจากว่าคุณน้อมเข้ามาละอย่างพระชาพูดถึงเรื่องสตินี่สอเสือตอเต่าสลอยเออเราก็กจําได้นะ่าคำนี้เขาพูดมาตั้งแต่เด็ก เราก็เคยได้ยินนะจำได้อยู่แต่ว่าบางทีประมาทมัวเมานะกินมากอยู่นะไม่สมรวมกายวาจายังพูดเล่นพูดเพลินโกหกบ้างทําผิดศีลบ้างแต่ว่าจําคําว่าสติได้นะนะจําได้อยู่ในหัวส่วนคนที่ถ้าจาไม่ได้อาจจะบันทึกเอาไว้ในหนังสือที่สมุดจดของเราอะไรต่างคําว่าสติมีบันทึกเอาไว้นะให้ฉันมีสติมากขึ้นจดเอาไว้เนะตือนความจำเอาไว้แต่ว่ายังไม่น้อมก็มาสู่ใจนะคือจําได้แต่ว่าทํำไม่ได้ คำว่าทำไม่ได้ไม่ใช่ว่าจําไม่ได้นะคือเขาจําได้แต่เขาทําไม่ได้เพราะว่าไม่มีสติเวลาเราจะทําสติให้เกิดขึ้นนะคุณรู้ว่าสติมันดีสติมันมีแล้วเกิดประโยชน์สติเป็นคําสอนของพระเจ้าสติเป็นสิ่งที่พระเจ้าพูดสิ่งแรกในการที่จะบอกจะสอนสัตว์ทั้งหลายสติสติสตินัดเตือนตัวเองอยู่เสมอว่าให้ฉันมีสติมากขึ้นแต่ถ้าใจมันไม่น้อมในธรรมะนั้นเตฟังมันไม่สามารถน้อมสติเข้ามาสู่ใจของเราได้ เวลาที่สติเราจะตั้งขึ้นได้เรารู้นี่ว่าสติมันคือการระลึกได้ระลึกถึงอะไรอ่ะเอาอยัางระลึกถึงลมหายใจของเราอย่างนี้ก็ได้แต่เดีฟังธรรมมาจนเครื่องรายการแล้วเนี่ยมันมันมีสติอยู่บ้างไหมรู้ลมหายใจของตัวเองบ้างไหมถ้าเรารู้อยู่นั่นคือคุณที่มีการน้อมน้อมแล้วนะน้อมน้อมต่อธรรมะน้อมธรรมะนั้นเข้ามาสู่ใจของเราน้อมในการที่จะเอาข้อมูลที่เราได้ฟังมาจากไหน การครูครูสอนอะไรครูผู้สอนที่เลิศสามารถสอนทั้งเทวดาและมนุษย์ได้ครูคนนี้นี่คือสมมาสมุทธานะครูคนนี้นามสกุลโคดามานะชื่อสินตตะนะเราเอาคำสอนตรงนี้น้อมเข้ามาสู่ใจไม่ใช่แค่จำได้นะจำได้แล้ว น, น, น้อมเข้ามาสู่ใจพยายามตั้งขึ้นเอาไว้แล้วตั้งสติขึ้นเอาไว้ใช้เครื่องมืออะไรท่านบอกถึงเรื่องของสติปัฏฐานเรื่องของลมหายใจ สติปะญญานลหมายใจก็เอาจิตของเราตั้งไว้ที่นี่แอย่าให้จิตมันไปที่อื่นถ้าจิตเราไปที่อื่นเราก็พยายามตั้งจิตของเราไว้พยายามที่จะให้มันมารู้ถึงโลงหมายใจแต่ไม่ต้องบังคับไม่ต้องเกรงังการทําที่ถู ก, กคือพยายามที่จะน้อมธรรมนั้นเข้ามาสู่ใจการที่จะน้อมธรรมเข้ามาสู่ใจได้เราก็มีการนอบน้อมให้มันถูกคือน้อมเข้ามาในใจของเราน้อมเข้ามาสู่การปฏิบัติ การปฏิบัติตรงนี้แหละการปฏิบัติตรงนี้ล่ะชื่อว่าคุณมีการนอบน้อมแล้วเวลาที่จะบูชาตองฟังแต่ทไมเขาถึงนอบน้อมต่อพระพุทธปรรมพระสงค์ก็เรียกว่าเป็นการบูชาทําไมพระเจ้าก่อนการปรินิพพานเนี่ถึงบอกว่าไอการปฏิบัติเนี่ยเป็นการบูชาที่เลิศที่สุดเพราะว่าคุณนอบน้อมตรงนี้ไงคุณนอบน้อมต่อธรรมะคุณนอบน้อมเอาธรรมะนั้นน้อมเข้ามาสู่ใจนั่นคือการปฏิบัติเขาตั้งนโมกันเพื่ออะไรเพื่อบูชา การที่คุณน้อมธรรมะเข้ามาสู่ใจเป็นการปฏิบัตินั่นแหละการนอบน้อมตรงนี้แหละจึงเป็นการบูชาการปฏิบัติจึงเป็นการบูชาแต่มีหลายคนที่คิดว่าจะไปวัดเอาดอกไม้เอาเครื่องบูชาเอาอาหารนะไปทําบุญตรงนั้นตรงนี้เป็นการบูชาแต่ปรากฏว่าไปวันแล้วก็เอากิเลสไปอวดกันนะไปทําเรื่องเสียๆให้หายไปทําความแตกแยกไม่สามัคคีกันนะแบ่งเป็นฝักเป็นฝ่ายเป็นพักเป็นพวกนินทากูบาอาจารย์นินทาพระองค์นั้นวัดนั้นวัดนี้ อ้าๆๆนั่นไม่นอบน้อมนะคิดว่าจะไปบูชาแต่กลับไปหาบาปใส่หัวแต่ถ้าเรานอบน้อมจริงบูชาจริงคุณอาจจะมีสิ่งของข้าวของเครื่องใช้ข้างนอกอันนี้ก็มีได้ไม่มีปัญหาการคอยถวายอามิสตานเป็นหน้าที่ของเครือดอยู่แล้วเป็นทางมาแห่งบุญแห่งกุศลอยู่แล้วนั่นจะไปบอกห้ามไม่ได้แล้วจิตใจละ่ะจิตใจถ้าเรามีการน้อมธรรมะเข้าสู่ใจการนอบน้อมตรงนี้ละ่ะคือการบูชาเหมือนกัน ให้ใจของเราละเสียซึ่งเรื่องที่มันจะทำให้มีความหยาบความกระด้างละเสียซึ่งเจ้าความเพ่งเล็งความกระด้างความหยาบความโกรธความผูกโกรธความริษยาความตะนีความมีมานยาอย่าเป็นคนหัวดื้อให้เป็นคนบอกง่ายอย่าเป็นคนมีมานะอย่าดูหมิ่นคุณท่านอย่ามัวเมาอย่าประมาทเพราะสิ่งเหล่านี้จะทำให้จิตเรากระด้างจิตเรากระด้างแล้วมันจะไม่น้อมล่ะ เนี่ต่อให้ในมือคุณมีเครื่องบูชาใดใดก็ตามดอกไม้ทูบเตียนอาหารเครื่องรูปไล้รูปตาเครื่องบูชายอย่างใดใดถ้าจิตไม่นอบน้อมนะท่านฟังแม้มันทําให้บุญที่เราจะทําเนี่ยมันเศร้าหมองนั่นะคือกายของเรามือของเราทําอยู่แต่แต่ใจมันเศร้าหมองแันะ่เพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันสําคัญที่ใจทุกอย่างมีใจเป็นใหญ่ทุกอย่างมีใจเป็นประตานถ้าใจเรามีความนอบน้อมต่อให้ทานที่เราถวายมันเศร้าหมอง การกระทําตรงนั้นเรียกว่าไม่เศร้าหมองเพราะใจนั้นมีความไม่เศร้าหมองเพราะใจนั้นมีความจําจรัดจากความน้อมความที่เรามีน้ำโมความที่เรามีจิตใจที่อ่อนนุ่มอ่อนเหมาะการกระทําตรงนั้นไม่ว่าจะมากก็ตามจะน้อยก็ตามเป็นสิ่งที่จะไม่เศร้าหมองเป็นสิ่งที่จะเจริญเป็นสิ่งที่จะนํามาซึ่งบุญอันใหญ่เพราะฉะนั้นจิตเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญตั้งเฝ้งจิตให้มีความนอบน้อมตั้งแต่ก่อนที่จะมาวัดเลยซ้ํา จริงๆเราอยู่บ้านระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงค์มันนอบน้อมได้ทันทีจะทําอาหารใส่บาตพระหรือว่าจะเตรียมเครื่องของบูชายอย่างใดอย่างหนึง่งจิตใจมันนอบน้อมได้ทันทีเพราะว่าการกระทําตรงนั้นน่ะที่เราบง่งบอกถึงการที่จะเป็นผู้ที่แสวงหาบุญในการให้ทานพวกเนี้ยเป็นการกระทําที่แสดงถึงความนอบน้อมอยู่แล้วแล้วใจให้มันเป็นอย่างนั้นด้วยการกระทําทางกายเรามีแล้วอาจจะเป็นด้วยพ่อแม่สั่ง อาจจะเป็นด้วยเขาพาพากันทำมาก็พาพากันทำไปแล้วใจก็ให้มีความนอบน้อมมีความนุ่มมีความอ่อนในการที่จะเข้าถึงพระธรรมให้ได้ในการที่จะเห็นเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าในการที่เราจะน้อมธรรมะเข้ามาสู่ใจนะให้ใจของเรานั้นมีธรรมะอยู่นั่นคือการปฏิบัตินะมีธรรมะพุทธะสังฆะอยู่ในใจอย่างนี้เรารักษาสติได้ สติที่เรารักษาได้เนี่ยต้องฟังมันจะรักษาจิตเราคือเรานอบน้อมนะเราบูชาด้วยการปฏิบัติต่อพุทธธรรมสังฆะมีสติเกิดขึ้นสติที่เกิดขึ้น น, นั่นแหละจะรักษาจิตเราอันนี้แหละที่เรียกว่ามีพุทธธรรมสังฆะเป็นที่พึ่งแต่คุณมีที่พึ่งคือพระพุทธพระธรรมพระสงค์ที่อยู่ในใจที่พึ่งแล้วยังไงอ่ะที่พึ่งแล้วมันก็ปลอดภัยนะสิอย่างทําไมลูกถึงวิ่งไปหาแม่ ลูกเด็กเล็กแดงอายุขวบสองขวบสามขวบ4ขวบแต่ยังไม่รู้เรียนสาเจอคนแปลกหน้าหรือว่าเรื่องอะไรที่ไม่อมพอใจแหล่งต่างเงินงงต่างๆแล้วก็รีบวิ่งไปหาแม่ในวิ่งไปหาแม่เนี่ยการเข้าหาการวิ่งไปตรงนี้แหละคือสารณะธาแลคือการที่จะเอาเป็นที่บึงหลานใจของเราให้มีตีพึ่งอย่างนี้บางทีมันจะแตกหนีเร่าร้อนรุ่มร้อนไปตามสิ่งที่มารกระทบโกรธบ้างอยากบ้างเพ่งเลงบ้างริษยาบ้างทันหีบ้าง อวดตัวบ้างนะมีมานะบ้างมึนตึงบ้างอ่อนแอบ้างนะให้มีที่พึ่งนั้นมันจะทําให้จิตเราแตกนะมันจะแตกนี้ไปทางนั้นทางนี้ให้เราก็หานะเหมือนอย่างที่ลูกน้อยวิ่งหาแม่นะจีตของเราถ้ายังมีราคะโทสะโมหะมันจะวุ่นวายให้วิ่งเข้าหามีพุทธธรรมสังฆะเป็นที่พึ่งอยู่ในใจของเราจะเข้าถึงสิ่งนี้ได้คุณตั้งน้ำโมวไว้ตั้งน้ำโมให้มันลึกถึงใจนะอย่าแค่พูดเฉย น้โมคือการนอบน้อมให้เข้าสู่ใจให้ใจนั้นมีความนอบน้อมมีความอ่อนมีความนุ่มความอ่อนความนุ่มเนี่ยแหละคือความแข็งแกร่งสิ่งใดๆก็ตามที่จะมากระทบกระทั่งกระเทือนให้จิตที่มีความอ่อนนุ่มอ่อนเหมาะเช่นนี้แตกไปเป็นอย่างอื่นนั้นเป็นฐานะที่จะเป็นไปไม่ได้เนงเพราะว่าถ้าจิตที่มีสติมีอุเบกขาอยู่เวลามีสิ่งใดมากระทบมันก็วางเฉยได้นิ่งเฉยได้ นี่คือลักษณะความแข็งแรงแข็งแกร่งของใจที่มีความอ่อนนุ่มที่เกิดจากการที่เราทรงอาไว้ซึ่งความนอบน้อมในพระพุทธระดับประสงค์เพราะเวลาที่คุณกล่าวคำนอบน้อมนี่นะโมตัสสะปะกวาโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะเนี่ยพุทธพุทโธเนี่ยคุณนอบน้อมต่อพุทโธเหรอนอบน้อมต่อพุทโธจริงเหรอนอบน้อมต่อพุทโธให้มันเข้าถึงดำฝัง ให้ใจเรานอบน้อมไปน้มไปเยียงไปเทไปสู่นิพพานได้กล่าวเลยกล่าวให้มันดังๆพูดให้มันชัดถ้อยชัดคำว่านอบน้อมต่ออะไรกันแนนอบน้อมไม่ใช่แค่ปากขยับหรือก็บังลมมันเคลื่อนแต่อีที่กับังลมมันเคลื่อนผ่านปอดปากเราขยับมันผ่านใจด้วยให้มันเข้าถึงใจถึงความนอบน้อมในพุท ธ, ธในธรรมะในสังฆะ ในลักษณะที่จะทำให้เรานั้นมีที่ปึงในลักษณะที่จะทำให้จิตของเรานั้นมีเครื่องรักษามีเครื่องป้องกันมีสติกำกับเอาไว้ด้วยเรารักษาจิตของเราด้วยสติมีธรรมะอย่างนี้น้อมเข้ามาสู่ใจนั้นคือการปฏิบัติให้เกิดการรู้การเห็นจแจ่มแจ้งในทำใดทำหนึ่งคือพุท ธ, ธสติคุณตั้งเอาไว้ได้ตลอดทั้งวันแต่ไม่ใช่แค่เฉพาะตอนที่คุณกล่าวคาน้อมน้อม ไม่ใช่เฉพาะเวลาที่เราฟังธรรมแต่ในขณะที่เราทํากับข้าวขับรถเดินทางคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่คุณมีพุทธธรรมสังขายอยู่ในใจได้ตลอดแต่เพราะว่าถ้าเราคิดเรื่องที่มันไม่เป็นไปนในทางการมไม่คิดเรื่องที่จะมันจะเบียดเบียนใครบองร้ายใครความคิดนั้นๆก็ชื่อว่าเป็นความคิดที่ดีความคิดดีๆแบบนี้นี่แหละเป็นสิ่งที่พุทธสอนความคิดดีๆแบบนี้ที่เราคิดแล้วทําแล้ว นั่นคือคุณมีการปฏิบัติแล้วคุณรู้แล้วนี่ว่าถ้าเราคิดดีพูดดีทำดีมันจะนำความดีความงามความสุขความสบายมาสู่ใจของเรานั่นคือมีพุทธธรรมะสังฆะในช่วงชีวิตในการปฏิบัติในการดาเนินงานในการดำเนินชีวิตของเราเราน้อมไปเอียงไปเทไ ป, ไปอย่างนี้เราจะไปสู่นิพพานได้วันนี้ข้าพเจ้าพระภัยบูญอภีปุณโญจากวัดบ่าดอนดานาศกอำเภอเมองจังหวัดอุดรธานี มาพูดเรื่องนับโมคือความนอบน้อมให้มีความมั่นใจให้มีความลงใจท่านฟั ง, งในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าเรามีความมั่นใจมีความลงใจในมักในข้อปฏิบัติในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จีของท่านผู้ฟังที่มีการน้อมไปมีการนอบน้อมในพุทธธรรมะสังฆะตามที่กล่าวมาแล้วนี้ ก้าวเจ้าขอนอบน้อมแด่จิต ด, ดวงนั้นเราอยู่ใกล้กันด้วยธรรมะสุรบยปกรณ